มีคนไทยอยู่ที่นั่นประมาณสองหมืนห้าพันคนได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะถ้าไม่เหมือนญี่ปุ่นเมื่อสิบปีที่แล้วนี่คนไทยไปเป็นแสนนะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใต้เซเลนี้เป็นผู้ชายนะแล้วก็เก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคนอีสานนะก็ไปหลายเมืองทีเดียวนะหน้าตาของคนไทยที่นั่นก็ดูไม่ค่อยมีความสุขนะเพราะว่างานมันหนักนะงานหนัก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 ความรู้เรื่องการวาดภาพก็มีน้อยทักษะก็มีน้อยแต่ว่าเขาก็ตั้งใจมากนะภายในเวลาห้าปีนี้เขาก็มีความสามารถในการวาดภาพที่งดงามแล้วก็ดูในระดับโลกได้ทีเดียวทั้งที่เขาก็มาช้ากว่าคนอื่นบางคนนี่ได้เรียนวาดภาพมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเข้าหมายถลายศรราิลปากรหรือหมายถลายเกี่ยวกับการวาดภาพจิตกรรม นะเรียกว่ามีทุนดีทุนเดิมนี่มากขเขาเยอะแต่ว่าทุนใหม่สร้างมาน้อยนะก็เลยไม่สามารถจะผลิตผลงานได้มากเท่ากับแวนโก้นะแวนโกนี่เขามีเวลาวาดภาพนะจริงๆศึกษาแล้วก็ผลิตผลงานแค่สิบปีเท่านั้นแหละอายุสั้นนะสากว่าปีก็ตายแต่ผลงานเขานี่ยิ่งใหญ่มากเมืองไทยเรานี่มีทุนเดิมเยอะนะ แต่ว่าทุนใหม่สร้างน้อยนะมันก็เลยไม่ค่อยจเจริญรุ่ดหน้าเท่าไหร่กระมือคนที่อาจจะมีโอกาสได้ล่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กมีความรู้เยอะแต่ว่าไม่หาความรู้ใหม่มาเพิ่มเติมนะการประกอบอาชีพก็ในสุดก็ไม่ค่อยจเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่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 ไปติดยึกแต่ว่าเออฉันทุนเดิมนี่ฉันไม่ดีนะแต่ไม่ได้คิดแล้วว่าทุนเดิมไม่สำคัญเท่ากับทุนใหม่หรือว่ากรรมเดิมไม่สำคัญเท่ากับว่ากรรมใหม่กรรมเก่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สร้างกรรมใหม่ให้ดีนะก็สามารถที่จะชุดพาเชื่องตัวออกจากความทุกข์ได้คนไทยเรานี่ไปไปไ ป, ไปหมกมุ่นไปไปให้ความสำคัญกับกรกับกรรมเก่าหรืออดีตมากไปนะ แล้วก็ไม่คิดที่จะสร้างกรำใหม่นะชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าประเทศก็ไม่เจริญนะพอทุนเดิมเริ่มหมดไปก็ไม่รู้ทํำยังไงแล้วตอนเนี้นะประเทศเราเนี่ยดินมันก็จืดลงฝนก็เริ่มแรงนะไอ้กำใหม่หรือว่าทุนเก่าก็ค่อยหมดไปหมดไปทุนใหม่ไม่ได้สร้างขึ้นอนาคตมันจ ะ, จะเจริญได้อย่างไรนะ แต่ถึงแม่บ้านเมืองเราตอนนี้เริ่มมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะดินจืดนะฝนฟ้าไม่ค่อยอำนวยแล้วแต่จะว่าไปก็ดีกว่าอิสราเอลเยอะนี่งั้นถ้าบ้านเราแม่จะแม่จะกลับไปเป็นทะเลทรายเนี่ยแต่ถ้ามีความเพียรพยายามนะมันก็จะสามารถจะนำพาประเทศออกจากความยากลำบากได้แต่ถ้าเอาตาคุ้มอกุ้มใจว่าตอนนี้นะดินฟ้าอากาศแย่แล้ว นะน้ำไม่มีแล้วจะอยู่อย่างไรนะถ้าคิดแบบนี้นี่ก็ไม่มีทางที่จะลืมตาอาปากได้หรือไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากาความทุกข์ยากได้งั้นก็สำคัญนะทุนเก่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะแย่หรือมันกลังจะหมดไปแม้สาคัญที่เข้าว่าสร้างทุนใหม่ให้มากขึ้นนะเอาล่ะก็พอสมควรแล้วเตรียมรับพร